จบพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่16ตอนที่หนึ่งอริยมรรคข้อที่6สัมมาวายามะและอริยมรรคข้อที่7สัมมาสติขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ทัชวดีพรมารานนสอนกองแก้วเพ่งกองแก้วชานและเฮียเพชรกลมอุไรพรโสพลอุดมพรลำไพยข้าชูปัญทะโตพัญญ ชนะภัยจันดำวาดัญญาภูนเพิ่มร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิต ท, ท้ายเรื่องและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสับพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง